คำว่าเป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์เนี่ยนะคุ้มครองอินทรีย์นั้นความว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเห็นรูปด้วยจกักรสูแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนศีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลามกเขื่อพิชาและโทมนัสครอบงําได้ย่อมรักษาจาักขุนศีถึงความสํารวมในจักขุนศีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโพธาภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมหูจมูกเลนกายและใจถ้าหากว่าไม่สํารวมนนะจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอ ล, ลามกเคืออนพิชาและโทมนัสครอบงำได้มันก็รักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจ อันนะั้ด้วยสังวรในที่นี้ก็คือมีสตินั่นเองสํารวมด้วยสติสตินี้เป็นเหตุที่สําคัญแห่งกุศลธรรมทั้งปวงมันสตินั้นถือว่าเป็นเหตุที่สําคัญแห่งสมถะและวิปัสสนาถ้าหากว่าปกป้องคุ้มครองตาหูฉมูกลิ้นกายใจด้วยสติก็เป็นที่มาของการเจริญกุศลธรธรมทั้งปวงการพิจารณาคําสอนทั้งปวงก็จะตามมาเพราะฉะนั้นมีใจรักษาแล้วก็คือมีใจคุ้มครองแล้วมีจิตรักษาแล้ว นี้ชื่อว่ามีเอ็นซีอันคุ้มครองรักษาแล้วคําว่ามีกิเลสมิได้ชุ่มคือเราว่าไม่ใช่ชุ่มแบบด้วยอํนานาจกิเลสเนี่ยนะอย่างที่ท่านพระมหาโมกขารนะเถระกล่าวไว้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราจะแสดงอวั ส, สุตตะเปรียยสูตรและอนวัว ส, สุตตะเปรียยสูตรแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังเทศนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว พระภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระมหาโมคคลานะว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอย่างนี้แล้วพระมหาโมคคลานะก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อันกิเลสชุ่มแล้วเป็นอย่างไรกเรียกว่ า, าว ส, สุตะปรยายเนี่ยนะวั ส, สุตะก็คือผู้มีกิเลสอันชุ่มเนี่ยเป็นอย่างไร ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแลว้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักหมายความว่าเจอรูปที่สวยก็ชอบชอบยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักรูปที่ไม่ถูกใจก็โกรธอยู่นั่นแหละไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายยคตาสติแปลว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นมีธรรมะในใจน้อยคือธรรมะคือสมถะวิปัสนาแทบไม่เหลืออยู่ในหัวใจว่างั้นภิกษุ น, นย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับโดยไม่มีเหลือแห่งอกุศลธรรมอลา ม, มกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอก็แปลว่าอะไรนะดูรูปที่น่ารักก็ชอบอยู่นั่นแหละดูรูปที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่ารักก็ โกรธเกลียดอยู่นั่นแหละสมถาวิปัสนาไม่มีอยู่ในใจเลยไม่สนใจเลยแล้วก็ไม่ต้องการจะรู้สมถาวิปัสนาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ที่ดับบาปอากุศลธรรมไม่ต้องการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นรูปก็เห็นแบบอะไรนะมีตาก็เห็นแต่ภาพภาพสวยกว็ชอบภาพไม่สวยกว็ชังไม่เคยคิดว่าเออเห็นยังไงให้มันรูปมรรคผลนิพพานไม่เคยมีความคิดแบบนั้นอะไร มันไม่ว่าทวารอื่นจะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพภะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้า ร, รูปหูเอ่อเสียงกลิ่นรสโรพธพภะที่น่าปรารถนาก็ยินดี น, นะยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพภะที่น่ารักยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโรพธาภะที่ไม่น่ารัก ไม่ตั้งมั่นในกายคตาสติมีสมถาวิปัสนาอยู่ในใจน้อยก็แปลว่าในทุกทวารทุกอารมณ์ไม่เคยใส่ใจสติปัฏฐานเลยอานาะกายานุปัสนาสติปัฐานพระพุทธเจ้าแสดงไว้สิบสี่วิธีไม่เคยเอามาคิดในใจเลยนะนะบอกว่ามากไปตั้งสิบสี่วิธีจะให้เจริญอันไหนมากลายเป็นว่ามากเลยไม่ได้สักข้อเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยกายปล่อยใจไปเรื่อยไม่มีสมถาวิปัสนาอยู่ในใจ และไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งอากุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วคือไม่เคยมีตั้งไว้ในใจเลยว่าจะรู้อริยศัสต ร, ร์และดับราคะโทสะโมหะบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิสูนี้ท่านเรียกว่าผู้อันกิเลส ช, ชุ่มแล้ว กิเลสชุ่มหมดในรูปที่เห็นด้วยตากิเลสก็ชุ่มหมดในเสียงที่รู้ได้ด้วยหูไม่มีรูปไหนเลยที่กิเลสไม่เกิดพ่างั้นไม่มีเสียงไหนเลยที่กิเลสไม่เกิดไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโพธภะไม่มีอารมณ์อะไรๆเลยที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเนะกิเลสเกิดทุกทวารแล้วก็ทุกอารมณ์ไปหมดนี่แหละท่านเรียกว่าอาวสุตตะผู้มีกิเลสอันชุ่มแล้วว่างั้น ตรงกันอีกอย่างหนึ่งท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้อันนอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะทุกทวารเนี่ยนะถ้าแม้มารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางตามารก็ได้ช่องมารก็ได้ปัจจัยียกว่ามารนี่จะสิงทวารไหนก็สิงไม่หมดเลยนะถ้ามารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางทวารหู มานก็ได้ช่องได้ปัจจัยอีกถ้าแม้มานจะเข้ามาหาพิสูจนนั้นทางทวารจมูกมานก็ได้ช่องได้ปัจจัยถ้าจะเข้ามาทวารลิ้นมานก็ได้ช่องได้ปัจจัยถ้ามานจะเข้ามาทางทวารกายมานก็อ่านะมานก็ได้ช่องได้ปัจจัยถ้าแม้มานเข้ามาหาพิสูจนนั้นทางใจมานก็ได้ช่องได้ปัจจัยเนี่ยนะเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรกําจัดมานเลยเพราะฉะนั้นมานอยากจะสิงทวารไหนก็เข้ามาสิงทั้งหมดโดยเฉพาะกิเลสมานเป็นต้นเนี่ยนะ ดก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือที่ทําด้วยไม้อ้อหรือเรือนอขออภัยเปรียบเหมือนเรือนบ้านเรือนนะนะบ้านเรือนที่ทําด้วยไม้อ้อบ้านเรือนที่ทําด้วยหญ้าแห้งเกราะหรือหญ้าแห้งเปราะเนี่ยนะฝนก็รั่วรถได้ถ้าหน้าฝนเนี่ยนะทำไม่ดีเอาแบบไม้ธรรมดาเนี่ยมามาสร้างเนี่ยไม้เป็นลำลำประเภทไม้ผุไม้อ้อเป็นต้นรู้จักไม้อ้อไหมรู้จักกันะต้นแตบบ่ ต้นต้นหญ้านะต้นหญ้าข้างทางอนะ่ะเวลาขับรถไปเห็นหญ้าเยอะๆนั่นแหละหรือหญ้าคอมมินิตเป็นต้นเนี่ยเอามามุงทําเป็นบ้านเป็นเรือนเข้าจะเป็นยังไงถ้านะถ้าหน้าฝนฝนก็ตกรัวถ้าแม้บุรุษเอาคบหญ้าที่ติดไฟเนี่ยนะแล้วเข้าไปจุดในเรือนนั้นทางที่ตะวันออกไฟก็ได้ช่องได้ปัจจัยคือคือถ้าหากว่าไอไอบ้านเรือนที่สร้างด้วยหญ้าเนี่ยนะเอาไฟไปเผาทิศไหนบ้างที่ไม่ติด เพราะฉะนั้นไ ป, ไปเอาคบไฟที่ที่ไหม้แล้วไปจุดทางที่ตะวันตกทิศเหนือที่ใต้จุดข้างบนจุดจากข้างหลังข้างหน้าจุดในทิศใดๆไฟก็ได้เชื้อได้ช่องได้ปัจจัยหมดเลยนะเอาเข้าไปตรงไหนก็ติดหมดนะนะเหมือนกับราดน้ํามันเนี่ยจุดมาจากทิศไหนก็ติดเหมือนกันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยกิเลสที่ชุ่มอย่างนี้นะในทุกทวารเนี่ยนะถ้าแม้มานเข้ามาทางทวารตามมานก็ได้ช่อง นะครับว่าเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนบ้านเรือนที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนบ้านเรือนที่ไม่มีประตูหน้าต่างอะไรเลยเนยนะเปิดล่งลองอยากจะเข้าทางไหนหล่ะมันเข้าได้ตามสบายเพราะฉะนั้นกิเลสเข้ามาได้ทุกช่องนะแม้กระทั่งเท พ, พบุตรตมานมัจจุมากิเลสมาเป็นต้นก็เข้ามาได้ทุกช่องท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอย่างนี้รูปครอบงามได้ภิกษุครอบงามรูปไม่ได้ นะหมายเขาว่าแล้วแต่รูปเลยว่างั้นเถอะแล้วแต่สีว่างั้นเถอะชีวิตสุดแทแต่สีถ้าสีดีก็ดีใจสีไม่ดีก็เสียใจสีปานกลางก็เฉยเฉชีวิตนี้ขึ้นตรงต่อสีหมดเลยสุดแทแต่สีนะเสียงครอบงำพิกูุนั้นได้ภิสูครอบงำเสียงไม่ได้ก็สุดแทแต่เสียงถ้าเสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีก็ชังเสียงทั่วไปก็เฉยเฉยั้นสุดแทแต่เสียงสุดแทแต่กลิ่นสุดแทแต่รสสุดแทแต่ โพธภาภัสุดแท้แต่ธรรมอารมณ์เพราะอารมณ์ครอบงำหมดเลยเสียงก็รูป ก, ก็ครอบงำใจเสียงก็ครอบงมครอบงำใจกลิ่นก็ครอบงำใจรสก็ครอบงำใจโพธภาภัก็ครอบงำใจเรื่องราวทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจแต่ว่าตัวเองครอบงำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีอำนาจอยู่เหนือรูปเหนือเสียงเหนือกลิ่นเหนือรสเหนือโตภตาพะเหนือธรรมมรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นอ่อนแค่เรียกว่าอแบเบาเต็มทีบแบงบนั้นเถอะแบเบามากๆเลยถึงขนาดเรียกว่าเป็นกลุ่มแผลสดที่ไม่มีอะไรมาปกปิดไม่มีสมถาวิปัสนาไม่มียามายเยียวยานี่ถือว่ามีแผลทั้งตัวหมดไม่ใช่แผลที่ตัวอย่างเดียวมีแผลที่ใจด้วยเนี่ยนะแค่เรียกว่าพร้อมที่จะติดเชื้อได้ทุกทวาร ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพิกษุน์นี้เราท่านกล่าวว่าถูกรูปครอบงามถูกเสียงครอบงามถูกกลิ่นครอบงามถูกรสครอบงามถูกผฐทพะครอบงามถูกกิเลสความเศร้าหมองครอบงามิกษุเหล่านั้นไม่ครอบงามอากุศลธรรมอันลามกุกอันเศร้าหมองที่ทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไป ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีกิเลสอันชุ่มแล้วอย่างนี้แลอยากเห็นไหมว่าคนที่มีกิเลสชุ่มนี้เป็นยังไงก็ปกติเนี่ยเราเคยเห็นพระอรหันต์ไหมล่ะนั่นแหละก็ปกติเราก็เห็นแต่คนแบบนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้มีผู้อันกิเลสไม่ชุ่มเนี่ยเป็นอย่างไ ร, รคือค น, น, น, นที่ไม่ถูกกิเลสชุ่มเลยเนี่ยนะเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยจักสุไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักตั้งมั่นในกายคตาสติเนี่ยนะกายคตาสติสกายคตาสติเป็นชื่อของกายานุปัสนาสติประธานทั้งสิบสี่บพพาหมดเลยเนี่ยมีใจประกอบด้วยรมหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็ประกอบด้วยสมถาวิปัสนาเนี่ย ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอัลลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่ เ, เธอมันถ้าหากว่าอากุศลธรรมชนิดใดๆเข้ามาเข้าใจเลยว่าจะต้องดับได้อย่างไรแก้ได้อย่างไรจะแก้ด้วยสมถาวิปัสนาได้อย่างไรจะละด้วยตทางข้าประหารวิขมธนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปสัสสธิประหารนิสรณประหารได้อย่างไรก็เข้าใจอย่างละเอียด ทีทวนแล้วก็สามารถปฏิบัติตามนั้นได้พันไม่ว่าจะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสด้วยกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ไม่ยินดีในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งในอารมณ์เป็นที่น่ารักไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่ารักตั้งมั่นในกายขตตาสติเรียกว่าเจริญกายขตาสติ14บัพพะได้ทุกทวานว่างั้น จเจริญกายานุปัสนาได้ทุกทวาร น, นั้นมีใจประกอบด้วยธรรมะอันหาประมาณมิได้ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอากุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนนี้ท่านกล่าวว่าไม่ถูกกิเลส ช, ชุ่มแล้ว ในรูปที่รู้ได้ด้วยตาในเสียงที่รู้แจ้งด้วยหูในกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยจมูกในรสที่รู้แจ้งด้วยลิ้นในโพธาภาที่รู้แจ้งด้วยกายในธรรมารมณที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจนะไม่มีกิเลสชุ่มแม้แต่ทวานเดียวเพราะดํารงมั่นอยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาสมถะวิปัสนาท่านเรียกว่าตะบะตะบะเนี่ยเป็นเครื่องเผาใช่ไหมเครื่องเผาทําให้อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเร่าร้อนทําให้อกุศลธรรมทั้งหลาย อะไรเหือดแห้งไปฝันเมื่อมีใจอยู่ด้วยสมถตาและวิปัสนากิเลสก็ไม่ชุ่มในทวารหกไม่ชุ่มในทวารตาหูจมูกลิ้นกายและทวารใจดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้คืออยู่ด้วยกายยัคตาสติอยู่ด้วยสมถาวิปัสนาอย่างนี้เนี่ยนะถ้าแม้มารเข้ามาหาภิกษุนั้นทางตามมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัย ถ้าแม้มานเข้ามาหาภิกษุนั้นทางหูมานก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยถ้าแม้มานนั้นอะเข้ามาหาภิกษุนั้นทางจมูกมานก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยมาเข้ามาหาทางทวารลิ้นทวารกายและทวารใจมานก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนกูตาคารสาลาหรือสันถาคารศาลาสาลาที่มีดินเหนียวมีเครื่องฉาบทาอันเปียกเรียกว่า เป็นเรือนที่ใช้ดินเหนียวเนี่ยมาก่อบ้านเรือนก่ออิดอ น, นะก่ออิฐแล้วก็ยังเปียกอยู่ด้วยว่างั้นเถอะถึงแม้บุรุษจะเอาคอบหญ้าที่ติดไฟโชนแล้วมาจุดเรือนนั้นนางที่ในทิศตะวันออกไฟก็ไม่ได้ช่องไล่ปัจจัยเนี่ยนะก็คือเรือนที่ก่อด้วยอิฐอย่างเดียวเลยเนี่ยนะทั้งหลังแล้วก็ฉาบด้วยดิด้วยปูนสน็ทแล้วไม่มีการทาสีเนี่ยนะยังเปียกอยู่เนี่ยเอาไฟไปจุดทิศไหนได้บ้าง จะเอาไฟมาจุดทางที่ตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศบนทิศหลังทิศไหนไหนไฟก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยผู้ที่มีปกติอยู่อย่างนี้อยู่ด้วยสมถาวิปัสนาอยู่ด้วยกายคตาสติในทวารทั้งหกก็ฉันนั้นเนี่ยนะมานก็ไม่ได้ช่องมานก็ไม่ได้ปัจจัยเพราะฉะนั้นมานจะเข้ามาทางทวารตาหูจมูกเลนกายใจมานก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ปัจจัยดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ รูปครอบงำไม่ได้ที่สุขครอบงามรูปได้รูปไม่มีอํานาจเหนือจิตใจท่านเลยแต่ท่านมีจิตใจเหนือรูปนะเสียงไม่มีอํานาจเหนือจิตใจของท่านแต่ท่านมีจิตมีใจเหนืออํานาจของเสียงเลยนะเรียกว่าไม่ได้ถูกอารมณ์ครอบงามเลยท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์มันพลาดอาหารทั้งหลายปราถนาจะรู้สิ่งที่จะเรียกว่าเห็นสิ่งนั้นของเขาว่าของดีเนี่ยท่านว่าปฏิกูลก็ได้คนอื่นเขามองว่าเลวร้ายท่านบอกว่าดีก็ได้ ท่านบอกว่าทั้งดีทั้งเลวร้ายท่านว่าไม่ดีก็ได้ท่านคิดว่าดีก็ได้คือท่านจะมานัิการโดยประการใดๆก็ได้จะมานัศิการโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมานัิการโดยอสุภะจะมานัศิการโดยธาจะมานัิการโดยเมตตาเป็นต้นจะโดยแง่มุมใดๆท่านก็ทําได้ทั้งหมดเรียก ว, ว่าเป็นผู้ที่ครอบงำรูปเสียงกลี่ยนรสโรพธะและธรรมรมณ์เพราะฉะนนั้อารมณ์เหล่านั้นคือรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธะครอบนําจิตใจท่านไม่ได้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ท่านกล่าวว่าครอบงามรูปครอบงามเสียงครอบงามกลิ่นครอบงามรสครอบงามโพธิภะครอบงามธรรมอรมณ์กิเลสเหล่านั้นอันภิกษนะุครอบงามไม่ได้กิเลสเหล่านั้น น, นะนะครอบงามภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงอามอกุิสลธรรมอันลามกอันทําให้เศร้า ม, มองให้เกิดในภพใหม่ให้มีความโกรธกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณนะต่อไปก็คือ ตัดเชื้อที่จะนำไปปฏิสนธิได้ทุกอารมณ์ว่างั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ถูกกิเลสอันเปียกชุ่มรั่วรดอย่างนี้แลชื่อว่าผู้มีกิเลสไม่ชุ่มแล้วท่านพระรันโดยเฉพาะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสมีความเศร้ามองบาปอากุศลชุ่มในทวารทั้งหคําว่าไฟคือกิเลสไม่เผา อธิบายว่าเป็นผู้อันไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะไม่แผดเผาฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อันกิเลสไม่ชุ่มแล้วไฟคือกิเลสไม่เผาเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้นโอ้ดูการฟ้อนรำจนได้ดีเลยนะี่ยนะดูเขารำอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ดีแล้วเนี่ยนะก็ให้สั่งสมสมถววนะวิปัสนาไว้เถอดเนี่ยนะบรรท่าสั่งสมบุญไว้ดีจเจริญ สมถาวิปัสนาว้เป็นอย่างดีเนี่ยเห็นใครรำก็ได้ดีเห็นเมียคนอื่นยังได้ดีเลยแต่ถ้าล่วงกามเมก็ประตูนรกของใครก็ของใครกัน